พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27มกราคม2557มีชื่อเรื่องว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดวันนี้เป็น วันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมพุทธศักราชสอง7ห้าเจ็ดวันที่ยี่สิบเก้าเขาจัดงานที่วัดสุดทาวาสจังหวัดสกล น, นครครบรอบวันประชุมเพลิงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหกสิบกว่าปีะมันหกสิบสองมันหกสิบเท่าไหร่ลุงพอก่อนบริบิรณใน กิจนิมนต์บนว่าหกสิบกว่าปีตั้งแต่เก้าสิบสองมาเนี่ยปีเก้าสิบสามที่ประชุมเพิ่งหลวงปูมันวันที่สองกลุ่มผ้าพันสองพันสี่อยเก้าสิบสามประชุมเพิ่งหลวงปูมันแล้วก็ทำมาทุทกปีปีนี้ก็ เกล่อตั้งแต่วันที่ยี่สิบเกาเป็นวันแรกบวชชีพรามแล้วก็พาสงฆ์เขามาแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อเป็นวงแสดงถ้ำมาหลวงพ่อแสดงถ้ำครั้งนึ่งแนละ้เคยไปเธอหนึ่งและสองเธอนะ่หลวงพ่อไปเทศอยู่วัดสุทธวาดแต่ปีนี้เป็นนิมนต์เอกหลวงพ่อคงจะได้ไปเทศวันที่ 29เกตอนเย็นประมาณสองทุ่มพอวันที่สาสิบเนี่เป็นวันครบรอบหลวงตาเฮาเด้วันมราณาภาพของหลวงตาแต่วันที่สาสิบหลวงพอ่อคงจะกลับมาจากวัดชุดทวายพักอยู่มองไดมงนึงตอนเช้าก็จะเข้ามาบินถบายชั้นครบรอบวันมราณาภาพ ของหลวงตาสามปีแลยเด้แป๊บเดียวเลยสามปีละเป็นปีที่สามแล้วก็คงจะมีทําบุญประทายเขาเปลือกพร้อมเมื่อนัน้นมื่อวันที่สามิบที่มีการทาบุญประทายเขาเปลือกบุญประทายเขาเปลือกประจําปีเพิ่นและมาร่วมใช้กันกับวันที่วันมรณะภาพของหลวงตาเพราะเพิ่นบอกว่า มันไกลกันแล้วก็กลางเต็นยากก็เลยมาร่วมใช้กันเป็นวันเดียวคือวันที่สามสิบแล้วก็ปีนี้มันเจอกับเป็นวันไหวเจ้าอีกของพี่น้องเจ้าจีนเป็นวันไหวเจ้าเขยาบอกพี่ยังพอลงตาก็คือเจ้าผู้นั้นขึ้นกันน่ะเจ้าใหญ่ลูกหลานมาไหวเจ้ากับลงตากรได้บอกพี่ยัง ทำบุญก็ลงตาลงตายิงมดจดจากกิเลสอีกต่างหากลูกหลานทุกูทุกคนก็นมามาทาบุญทําท่านมากราบมาไหว้วันครบรอบวันมรณะภาพของลงตาวันที่ส0มสบมกราปีนี้เป็นปีที่สมส่วนที่จะสางเจดีพิพิธภัณฑ์ก็ยังบอท่านลง เอ่ยกันอยู่กันยังขอร่อๆฟังแต่ก็คงจะเป็นแน่วความคิดของเจ้าอาวาสหลวงพ่อสุดใจกับคณะสงฆ์วัดป่าบรรดาศเป็นผู้สี่ขาดจะจะเอาผู้อื่นไปเป็นผู้สี่ขาดก็จะว่าเก่ากายคือเก่าหลวงพ่อบอแสดงความคิดเห็นอย่างทั้งหมดตะกรกับบแสดงความคิดเห็นอยู่ล้วว่ามิแต่ว่าเอาจังไรมันสีมรมีแต่บอก แนะนำบอกกล่าวผู้ตัดสินใจแท้ๆก็คือเจ้าของบ้านเพิ่นอะ่ะอันนี้ก็ถึงมาถึงจุดนี้แล้วกันพยายามาตัดสินใจให้ก็ยา ก, ยากอยู่คือเกา่าบอกไปเพิ่นเพราะเกิดเรื่องอ่พท่านมีมือพวกท่านมีวันเ mm. ขาคงจะค่อยไปเรื่อยๆนะพะมันลูกซิดลูกหาหลงตาหลายติไปตัดสินใจผู้ใดผู้หนึ่งกับผู้ใด หลูกหลายคนเป็นชนะนาหน้าจิตต่างนาหน้าทัศนะนาหน้ า, น า, นะน า, นาความคิดนาหน้ า, นาความเห็นหน้าหน้าความอต้องการผู้หนึ่งมองเห็นจังนึ่งผู้หนึ่งมองเห็นจังนึงแต่ตามไม่จริงถ้าหาว่าเป็นอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพอว่อบอกมันพวน่าจะคิดมากพวกสั่งบูชาพระคุณหลวงตาเราเอาวงไดก็เป็นมองคนมัดนะ่ะ พอลงตาเป็นบุคคลที่เป็นมงค้นอยู่แล้วถ้าว่าผูดตามประเพณีเก่าแก่ดึกดำบันมามองใดประชุมเพิ่งเพิ่งก็เอามองหันแล้วเว็นเสียแต่มีเหตุจำเป็นจำเป็นอย่างไหอย่งสมเด็จพระสังฆราชจังทีล่ละพระราชทานเพิ่งในเมนในเมนหลวง วัดเทพซิรินเนี่ยเขาจะไปสางเจดีขอบเม่นหลวงของขก็บแมนแนวอีกคือเขาเข้าต้องไปสางมองอืน่นเกิดจากโดยเหตุจำเป็นโดยเหตุบงังเรื่องเล่าโดยเหตุผลนะอธิษาว่าเป็นของคู่บาอาจารย์หรือว่าเป็นคนโบร้านเขาตั้งแต่ตึกดำบันมา พระเจ้าจักรพรรดิก็ดีคู่บาอาจารย์ดูในป่าโถงพงไพกก็ดีในเมื่อท่านหลวงรับรับขันไปแล้วอลูกศิษย์ลูกหากอืไปเลือกจุดที่จะประชุมเพ่งเพลนหรือถวายเพ่งเพลนหรือประหาัทจันเพ่งเพลน พ, พ, พ, พอประหระาัดจัตถันเพ่งเสร็จหลียบร้อยกัน <c oughs> เขาก็สร้างสถูป <c oughs> และเจดีย์ตรงนั้น่ะจุดนั้นละ เป็นที่เคารพการไหวสการาบูชาของม้วนมนุษย์นี่แหละพ่อแม่กู้หมาจานหลวงปูหลวงตาเรือพระเจ้าแผ่นดินรือพระเจ้าจักระพัดที่เป็นหลวงรับรับขันไปได้มาไปชุ่มมงนี้ละกับปักรักเป็นเสาลักเสาเอกประ ก, กาศให้เป็นที่รู้จักพร้อมนาพร้อมตากันในยุคสมัยนั้น พอต่อมากนเลื่อนเือล่างไปเรื่อยเเป็นอายุสังขารจะให้สำคัญคือครั้งแรกก็คงเป็นไปจังสันบรไนิไลเหมือนกับพอแม่เห้านะพอแม่เห้านะี่พิธีพีทันเออเอากระดูกไปไหวในถาดแแขางวัดเสาวัดเหลือดีที่ทุตตั้งไปกราบทั้งไปไหวพ่อลุนลูกนะ่ พ่อรุ่นหลานขึ้นมาเถอะคให้ความสําคัญหน่อยลงอ่าไปกราบแด้บ่ไปกราบแน่ไปวายได้บ่ไปไว้ยแน่ไปดูแลได้บ่ไปดู แ, ดแลแน่ลูกตาลรุ่นหลานพ่อรุ่นเลนเขามาเอห้างเขามาแล้วบ่ผมปดิผลประโยชน์พ่อรุ่นหลอนเขามาเนี่ยโวยจักเอาไปมาแล้วโวยจักหอวกระดูก ปุญาต่ายายเจ้าของอยู่ใสอีต่างหากบาดหากุมันแตกกำแพงมันแตกไปสมผ่านก็เลยจักมันกระดูกไผหวันอาญาหวันก า, าจะเอิญหาไผการเจเอินหาไผมันหลาสัวข้นล่ะผลในชูก็ตอมๆแล้วก็เอาไปฟางดินใส่มงไดมองห น, นึ่งก็เล่แล้วไปนี่แหละคยเห็นมาที่วอลลคือเคยเห็นมาเนี่ยแหละ คือชุดแรกนี่สำคัญชุดที่สองนี่ความสำคัญรอยลงชุดที่สามที่สนี่กับเมือตามลาดับไปเพราะว่าความรักครบรในบัณพระบุรุษพุ่นที่แรกพ่อแม่เนี่ยเปนก็ะหายทุกอย่างสำหรับลูกพ่อที่สองกับหลานก็นยังได้รับมรดกจากพ่อแม่พ่อถึงเลนน่ลืมอล้รบาเนี่ยมันเลื่อนล่างง อันนี้คื อ, คอโลกแต่ส่วนถ้ำม่าเนี่ยส่วนธรรมา น, น, รรมนี่ยังพระพุทธ เ, เจ้าพระพุทธเจ้าพระเล่นพรพันถึงสองพกว่าปีผู้ห้านับถือเหลื่อมใสในถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าเฮ้าก็าให้ความสําคัญว่าอันนึ่คือประทัดพระพุทธเจ้าอันนึ่พระพุทธเจ้าเคยมาประทับหรือเสเด็จหรือแบบมีประวัติยังใดศึกษา แล้วก็ให้ความเคารพในประวัติพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าไปไหว้ที่เส้าหัวกาบไปกาบไหวอย่างพระพุทธลูปอย่างพระพุทธเจ้าเป็นลูกลักษณะจังสีละพระพุทธลูปไทยเมืองไทยพระพุทธลูกเขมรพระพุทธลูปเล่าพระพุทธลูปพมา่าพระพุทธรูปอินเดีย สุดแท้แต่ไผ่จะกอรูปขึ้นมาพอกกนกอรูปขึ้นมาแหละเอพอเนี่ยพอพุทธพอพุทธลูปเป็นอยงนี่ล้วนะพระพุทธเจ้าที่เผนประกาศพระธรรมคัมภีรออกมาเนี่ยพระธรรมคัมภีรของพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่หละองค์นี่แหละลักษณะแบบนี้แหละพระพุทธเจ้าฮะพวกเข้ากับกาบการาบถึงกอเป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายเป็นท้องเหลืองที่กอขึ้นมาอันนี้คือหุบผาที่เป็นดินเหนียวกักรบราบ อกาบไหวสักลาบูชาด้วยความเคารพใน ward, คือร mm. ูปของพระพุทธเจ้าล้ำลึกถึงนวลมันเป็นกาบกินเหนียวด้วยมันกป็าบอิฐกาบหินกาบปูนกราบไส้กาบประคุณของพระพุทธเจ้าที่เป็นประกาศพระทรมข้ามสอนให้พวกเฮาให้หูจักเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องความดีเรื่องความชั่วเรื่องลือกนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดตายแล้วสูญสําเร็จมรรคสาเร็จผล พาะวนาได้สำเร็จเป็นพระหรหัสแบบใดทําแบบใดคือปรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิลนบอกประกาศเพราะเขาเขาหลบในพระปรมคําสอนของเพิลนเข้าก็เลยเขารลบในรูปของเพิลนว่ารูปของเพิลนเป็นลักษณะแบบนี้อย่างนี้รูปพระพุทธโลกจะเป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนเป็นท้องเหลืองท้องแดงเงีย้ยก็ตาม เอาข้อราบด้วยความสนิทใจคือกาบประคุณมาคิดมาพูดเรื่องนี้ก็มาคิดถึงหลวงปูหลลงป่หลาหลวงปู่ลาเขานะหลวงปู่ลาผู้เจ้าก้อนสมัยหนึ่งมันไปอยู่ผู้เก่านลผู้เก่านี่ย ก, ก็คือผู้เก่านี่ยคือคุณแม่ชี้แก้วนี่แหละคุณแม่ชี้แก้วแม่ยิ่งแล้วก็คุณญาของหลวงพ่อเนี่ยนะมีสี่หาหกขคน อยู่น้ากันทำไมเนี่ยอาจารย์พันธเป็นเจ้าอาวาสเขาอยู่อีกทำหนึงพวกไม่ชีเนี่ยอยู่อีกทำหนึงมาหาญามูเว่นมาบ่ได้พวกไม่ชีเนี่ยไปหานอนอไมว่วนไปไปหานอไม่เป็นลงไปลงไปในหวยมันตำตำในตีนผูมันเป็นหวยมันมีดินเหนียวได้บ่นี้พ่อมาดินเหนียวเลยก็เอามาปั่นเป็นหูพระ ป, ะปนุขึ้นมาหอดทำมองหนึง่งวนออกไป คือมะหอดทำ ม, มองเนื่องกัดมาปั่นเป็นพระเอาดินเหนียวมาปัน่นกัคือยังปูยิ่งปั่นแล้วต่อไปพ่อปั่นแล้วก็ดเม่เย่มาญาเราไปพ่อปั่นแล้วกัดเฮ็ดอย่างไรวันนี้เป็นพระเลยเอาไปไหว้พวกนึ้ปั่นเอาไปไปไหว้เอาไปไห ว, ว, ว, ว้เนี่ยทไปตีดินเหนียวมันเหนียวแตก่อนนี้ยังค่อยปั่นมาเราไ ป, ไไปพ่อปั่นแล้วก็ดนั่ไปไห ว, ว้เนี่ยทำทำดูน ทางเทิงแล้วก็แล้วแล้ววะเพราะแล้วต่างก้นต่างกาบเราเป็นพระเลยเ้เอยคุณแม่กะกาบพ่อคุณแม่ไปกะกาบพ่อไปพ่อมั่นเราไปบัตแล้วก็ไหวหันมาถ้าต่อมาพระสงไปบัตรเยลยหลวงปู่สมชัยวัดเขาสุกิมเนะไปพ่อไปฮนะนาะดซูซือนี่ยหรือ่างูกระป๋าตอดเนะี่ยกัดพระเราไปโอ้อาการนักสาหาัสพอสงขวนเอาไป เงินงู ก, กั ด, ดนุ่มอนมาท้าแล้วลงปูหลาผู้เจ้าก้อนี่ไปปะพนะอถูตุงปูสุนชัยไปแล้วตุงปูหลากับไปยู่หันไปจาบรรษาหันพอไปอยู่หันพ้นไปเดินโยกรมงูกระปนะน่งูกระบาน่ยวันนั้ว่างูกระบาเน่ยภาษาไทยว่างูกระปะนี่ยนูกระปะผู้เขาเนะี่ตัวดำๆอ๋อพอเดินโยกรมไปมันหางมันเด็ดเด็ดใช่เล แบบมันบนนีเลยวะเราไปว่ามันเป็นอย่างวะไปไปเห็นเคลีนี่เลว ย, ยังมาอีกมันเป็นอ้อย่างวะหลวงปู่หล้าก็เดินอยู่กรมมหันก็เป็นยังไงมันเป็นสีของขวา ง, ม, ม, ม, งวามันมันมนบวลงในจิตใจวะเราไปมันมีไอ้อย่างทางั้งไตเนี่ยใช่ไหมหลวงปูหงป่หล่าว่ะหลวงปู่หล้าก็เลยปีนหนาผาลงไปวะเราไปเออพ่อไปที่ไหนได้ พระพุทธรูปพวกไม่ชีพคุณแม่แถวคุณแม่ไปปั่นไห่เฮ็ดเมยเยมาญาอยู่ในธํามันอนไปพอปั่นผู้หญิงปั่นพระนอนไปโมเป็นสร้างนี่ขึ้นจะกวนแ้วปั่นนานไปบั่นเราไปตั้งอยู่ในธรําหันบ่อนหลวงปู่ลาโอ้ยเป็นอันนี้เองว่าสันนี่เฮ้าภาวนามันเบิ่งเบิ่งแล้วมันจังใดมันมันก็มันมีไออย่างอยู่ว่าสันนีแล้วก็งูกับป๋ากัน มันบนยอมหนีเลยว่ามันบนยอมถอยว่าอย่ามาเดินแถวนี่นะอาจนเอ์มันโมเมนต์มองเดินนะจะวางจันลวร์หรออาจารย์บัตรหลวงปูหลาก็เลยได้พาอาบน้ําแล้วก็ไปโถกขึ้นมาที่ระองค์ ล, ละองขึ้นไปไหวบนธรรมที่มันช่งสูงบนบัดเนี่ยเอาขึ้นไปทั้งทั้งเทิงบนบัตรนั่ไปทั้งเทิงทำมันไม่ทำมันหลายสันเลยเปิลกบวไวยมองทำไงแล้ว ไ, วไหวทำน้อน้อยขึ้นไปกับนั่น ลงไปหอบมะทีละองค์สององค์เราไปใส่ผ้าขมาบผ้ายโถขึ้นมาปีนเขาขึ้นมาไปว่างไปแหละลงไปเอาเอีกจนมัิผนว่าลงปูหลาว่ะพอขึ้นไปไวปแล้วพ้นปูหลาก็กราบขึ้นกันนะเพเป็นรูพระพุทธลูกด้วยเชว่าอย่างไี้ขี้ไล่ก็คือพพุทธลูกนะไปที่จะเมยเย่ม่ยมากก็คือพุทธลูกเขาปั่นเป็นพระพุทธรูปเลยเอยกาบพุทธลูกนะไปตามฝีมือออ วานะเดี๋ยเพื่นก็เลยลงมามาเดินโยกบมเ อ, อบาทหนี้งเม็ดงู ต, ตัว น, นั้นก็ง่ายหายเม็ดไปวันเป็นว่าจิตใจก็โล่งโปร่งจิตใจเกาคูสู่ความสงบโอ้พระพุทธรูปอยู่หม่องบอ่อเป็นสถานที่บอ่อบางขวนเนี่ยบ่บอแม่นแนวเด้วยอาจารย์เป็นวันลงปูหลาว่าไนงะนี่แหละอันนี้ก็เป็นแนวความคิดอันนึงคือกันเดีเพื่นไปเดินโยกบมอยู่ท้องสูงกว่าพระพุทธลูกเป็นวันไปเดินโยกบมือกน เดินอย่งกมพาวนาบ่อลงสมบัติว่ามันมีอย่างอยู่ทางใตเนี่ยเมบัตว่าเพิ่นเลยปีนลงไปเบิงไปเบิงเห็นพระพุทธรูปแถวคุณแม่ชี้แก้วปั้นไหววันนั้ไปนี่แหละกระโบนแน่ขึ้นกันเนี่สมัยนั้นคุณแม่แก้วก็เพิ่นเก่งท่านกระสินขึ้นกันเนี่ยพิ่นพาวนาขึ้นกันวันนั้ไปเอพิ่นอาจจะเพ่งกระสินเพ่งพลังจิตพลังใจเขาไปในกีดินเหนียวก้อนนั้นกระโบหูออกไปยังมีพลัง นี่แอันนี้ก็คูบาอาจารย์เพิ่นก็บอกอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับสัทธานที่ประชุมเพ่งหรือพระราชท่านเพ่งพระแม่คูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มันเลยครเพิ่นประชุมเพ่งตรงโบสถ์โบสถ์วัชุตวาี์ยเป็นการสางโบสถ์คอมที่ประชุมเพ่งหลวงปู่มันที่หลวงพ่อจะไปเทศนาวาการ หลวงพ่อจะไ ป, ไปเทศหลวลงพ่อจะไปแนะนําที่เนาะเพราะว่ากูบาอาจารย์มากไหมแต่หลวงพ่อจะไปเทศไปพูดนี่ยหลวงพ่อจะเออผาเน้นพี่นองลูกล้านของเฮ้าให้ยึดแนว่วแถวปฏิปทาของหลวงปู่หมันผ้าดําเนินเนิรลูกล้านทุกคู่ทุกคนเนาะปฏิปทาหลวงปู่หมันผ้าดําเนินกับพ่อแม่กูบาอาจารย์เท่ากัแนะนําสั่งสอนนั่นได้ประวัติหลวงปู่หมันก็มี หลวงตามหาบัวเขียนไว้แล้วก็หลวงปู่หลาก็ได้เขียนไว้คูบาอาจารย์เถริยุน้องหลวงปู่มันเพิร์นก็ได้เขียนไว้คนละแนวความคิดเป็นแนวความคิดให้พวกเขายึดแนวแถวปฏิปทาของเพิรนพอแม่คูบาอาจารย์ผ้าดําเนินเดินตามแนวปฏิปทาเดินตามผู้ใญัยหมาบอกัด อันนี้คือการเดินตามแนวปฏิปทาของพ่อแม่คูบาอาจารย์ผ้าดําเนินแล้วอความจิบหายความหายยนะเขาคงจะบวเกิดพบเพลินผ่านไปแล้วหมองหนีเนาะเป็นทีปลอดภัยเนาะบ่มีผิดบ่มีพัพยเนาะเดินแบบนี้เป็นเดินมาแล้วเห่าก็เดินตามแนวแถวเพลินผ้าเดินก็เห่าก็จะถึงทีปลอดภัยคือกันครับเพล่น เป็นยาววัตีปลอดภัยคือกันก็เพิ่นเพิ่นเพิ่นเาวนามากกอนเท่าแล้วเมื่อเพิ่นหลวงรับรับขันเมื่อเพิ่นตายไปแล้วผลง่ายๆเมื่อในพระราชท่านเพิ่งไปชุ่มเพิ่งเพิ่นกระดูกของเพิ่นก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเข้าได้เห็นกระดูกหลงปูเขากระดูกหลงปูพ่มกระดูกคูบาจันด้วนแล้วจะเป็นพระธาตุเป็นเม็ดกลมๆเป็นแก้วเป็น เพชนิ่งยินดาสุดแท่แต่เป็นหินเป็นแก้วก็มีนี่แหละอันนี้ก็คือกระดูกของพระอระหันต์ตามตำรับตำลาตามพระไตปิฎกเพนยืนหยันจังสั้นเพราะนั้นเะพนเดินมาแบบไหกระดูกเพลยังเป็นจังสั้นเนะพลย์เดินตามแนวปฏิปทาตามตามถ้ำลึกคิดของเพลย์เนะพลย์บอกเพลกล่าวไว้เข้าก็ยึดตามแนวแถวนั่นละ่นะพวกเขาก็จะได้เดิน ถึงจุดหมายปลายทางยังพอแม่กู้บายจานพวกเขา้าพาดําเนินไ่เนี่แหละท่าว่าพวกเข้าเดินตามเพลินนอปลอดภัยคำนว่าเดินออกนอกลูนอ ก, นอกทางเห็นเขาอยากได้ลาบก็อยากได้ลาบน้าค้นอยากได้ยศก็อยากได้ยศ น, น้าเขาอบจักผีสางนา่งฝ่าเขามาสิงมาส่งเป็นหมอรู้หมอเดาอันไดมันสีดังก็อกไปเฮ มันอยากยุคันธิตจังจันนะแปลว่าออกนอกลูนอกทางบอเดินตามแนวแถวคูบ า, าจานผ้าเดินพวกรุ่นเหรนรุ่นหลานต่อไปไพ่ภาคนาเนี่ยหาจุดยืนบ่อใดไร่บาทเนี่พอรุ่นรุ่นพีผ้าเดินอบอ่ถึกตามแนวแถวเลยเพราะนั้นรุ่นอพอแม่์ผ้าเดินยังไงลูกเต่เาเราหลานก็ควรจะเดินตามแนวอย่าให้มันพลิกแปลกแวกแนวลไหลถึงจะเป็น ยกให้เทคระบายยกมันเป็นยังสัน้นเขาจะเดินตามพ่อแม่คู่บ่ายจานคือก่อบกบระบาได้แล้วพ่อแม่คู่บ่ายจานต่ก่อนมิแต่ยาง เ, าเปิลโมมีรถเข้าก็จะไปยางน้าเพลนแบบเพิลนกบบระบาดได้แล้วแมนอยู่แนวประยุกต์เข้าใช่เข้าไปใช่แต่อย่าให้มันเกินไปโบเมนโมมี่ม ม, มมีรถก็บที่นขายวัดขายว่าเอาวัดไปจำน่องจำน้ำไปซื้อรถมาขี่ มันก็เกินไปขึ้นกันมันต้องอุจจักประม่านตนกันว่าใดมากโดยเป็นถ้ำเห็ุยังไงโดยเป็นถ้ำมมันก็อีกแนวหนึ่งไงถ้ามันเกินไปมันก็ขึ้นเกินไปขึ้นเก่านั่นแหละอย่างลงปูหลาว่าน่เงินไปบอกบัดบอกเบอร์เขาได้เงื่อนมากเขาเอามาทําบุญทําท่านอกันจัางสั่นหน่อยจะไปหากินกินเลยไปหาสู่อวบายตกนาลงมกใหม่ ขั้นโมมีแนวกินแต่กินใบไม้แหง้งกินขี้ดินคือขี้เสือเดือนเนะ่ยยังบอเป็นบาปพนวาหลงปูลาวะอย่าไปหากินเนีมันบอถูกบอต้องกินนั่นแหะกินก่อนเล็กแดงมิตรเอาไปสัวใบตกนรกมกใหม่อย่าไปหากินเนียมันบอกเถอะอย่าไปหากินหาใส่เนียมันบกอกเถอะกินใส่ในท่านที่มันถูกต้องขั้นโมมีแนวกินกินใบไม้แหง้งกินขี้ดินนะเพื่นวะหลงปูลาวะ อันนี้ก็เป็นแนวความคิดขึ้นกันนะสรุปเลวก็คือให้นักแนนในหลักธรรมคําสอนให้อยู่ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปออกนอกรูนอกทางพูดง่ายๆอันละพ่อ น, นั่นเอนอนุโมทนาให้พอน